Thank mm -hmm. you. แต่หลายประทังใจฟังการฟังธรรมนี่ก็คือการฟังเรื่องของเราเรื่องของคนเราก็มีหลายอย่างพอสรุปได้ก็คือกายคือคจิตใจเรื่องที่เกิดขึ้นกับกายเรื่องที่เกิดขึ้นกับจิตใจเรามีมากแปดหมืนสี่พันเรื่องแต่เราไม่รู้ก็เป็นทุกข์เป็นโทษ เป็นปัญหาต่อตัวเองและคนอื่นเราลูก่ก็เป็นปัญญาหลุดพ้นถึงมรรคผลทิพานมรรคผลในฝานต้องเรียนรู้เรื่องผลเราเรื่องกายเรื่องจิตไม่ใช่เป็นเทคโนโลยีเหมือนกับการศึกษาวิชาทางอื่นเขาการเรเียนรู้เรื่องกายเรื่องจิต มีสติเป็นนักศึกษาสร้างให้เห็นให้ดูให้เห็นให้รู้เ ห, หมือนก ว, ว่ากายใจนี่เป็นตําราสติเป็นนักศึกษาเข้ไปศึกษาเข้าไปดูเหมือนที่เราทำอยู่นี่วิชานี้เรียกว่าวิชาสมรมฐานวิชาสมรมฐานเป็นวิชา ใส่ใสิขาใส่สิขาในี่ยลุงหลุงย่อยออกอะไรที่มันเป็นเปลือกเป็นกระที้เฉือนหรอกให้เลือดเป็นเนื้อหมือนเกาหลุงแพร่ให้ได้เป็เนื้อให้มันใช่ใจไม่ใจในใจของเราในีบางทีมันใช่ไม่ได้เลย ทำให้เราเป็นภาร ะ, ราะเปล่าเปล่าเราก็เสียเวลาเวล่อเวลาใส่กับสิ่งที่ใช่ไม่ได้มากมายาใช่ไม่ได้ในตัวเราแล้วก็เป็นภาระตร่อคนอื่นเสียงอื่นวัตถุอื่นหรือบางทีต้องเกิดโครคภัยไข้เจ็บปัญหาต่างๆมากมายใต่สิขานี่คือะลุงติย่อย เห็นไหมเวลาเราเจริญสติจริงไ ม, ไม่ใช่สติมันก็มีเพื่อนความหลงโอ้ไม่ใช่สติก็เราก็ไม่ต้องเป็นภาร ะ, ะต่อความหลงเราก็เปลี่ยนตัวหลงเป็นตัวตัวลูกให้มันจบไปเปลี่ยนตัวหลงมาเป็นตัวลู ก, ก ต, ล, ตลูกซึกไปแต่มีตัวลูกจักตัวลูกจับตัวไปเรื่อยๆ จะเห็นอะไรตํางๆเอวันโชมันต้องโชให้เราเห็นเพราะมันไม่มีที่ที่ลับไม่มีที่ลับในกายในใจเราเนี่นี่แต่เราหลงเราหลงผดลับแต่เราเ ร, าา ร, ารู้มันมีที่ลับเหมือนกับเปิดตัวรู้สึกตัวนี่แหละเหมือนกับเปิดของปิด ไหนที่ผิดเปิดออออดอกแล้วตัวรูดึกตัวนี่แหละเปิดหายของถูกควบใ้หลายขึ้นตั ว, วรูดึงตัวเราบอกคาแก่ตัวเราหลังที่เราสวดตัวหลงเฉืนอนหลงแล้วเออแต่ตัวรูของที่นี่ของที่นี่ตัวหลง โลไปโลไปในจิตีโลไปโลไปเห็นกายขี้เลีอยู่ในกายทำไมมากคือตัวคือตนคือตัวคือตนคือปูทั้งหลายผู้สุขปูทุกข์ปูรอดปูหนาวปูหวปูปวดปูเมื่อยมันขี้เลี้ยวพอในจิตีเห็นก็ไปก็เป็นกายสภาวะกายไม่ใช่สัตว์คนตัวตนเราเขา ใครได้เห็นแห่งอย่างนี้เราเฉือนส่วนที่ริ้วโอเหรือเด็นกายจะว่ากายไม่ใช่สัตว์คลโตโตโลเขาจริงๆเป็นปัญญาเป็นญาเป็นปัญญาเป็นปัญญาขนส่งจากภาระหมดภาระไปนั่นปิาจารณ์กณ็ถันะ การเห็นแยกไม่ตายหมายถว่าหยาชนะทัศนะมัอนพ ร, ระพทุทธเจ้าเทศธรรมจักกับพระพุทธเจ้าทรงโสแท่ปัญญาวิธีฟังว่ายานเกิดขึ้นแล้วแก่เราแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วแสสวก่แเราปัญญาเกิดขึ้นแล้วแก่เราแตมันเป็นหยาแต่ตอนไม่เคยรู้ พอมาเนีสติเข้าไปเข้าไปเห็นกายแล้วก็ดูมันก็ต้องเห็นวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ซื่อตรงเป็นฐานพื้นที่ตั้งการกระทบตึกกลับเมื่อรรเราทํำสิ่งไหนสิ่งไหนมันก็ต้องเป็นมากเป็นผลขึ้นมาเช็นเราในตาเราดูก็ต้องเห็นเรามีหูเราฟังก็ต้องได้ยิน เอากายไปทำดีมันก็ต้องดีเอากายไปทำทั่วมันต้องทั่วเอาใจไปคิดเรื่องไม่ดีมันก็ไม่ดีเอาใจไปคิดเรื่องทั่วมันก็ต้องดีมันก็ดีนี่กัมปิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ดีคิดวิชาที่ดีคิดชีวิตให้มันเป็นไปตามกรมที่เราทำเนี่ยทำไมเห็นกายเพราะมันโชว เราดอยู่มันเกิดมันไหวต่อหน้าต่อตาเราเนี่ยสิบสี่ยังวัดรูปแบบประกอบฐานตามบพระในสติปัฐานสูตรเอวพพะคือการเคลื่อนการไหวเยอะแยะเรื่องของกายก็มากเรื่องของจิตใจก็มากบพระเนี่ยพระทางกายยืนเดินนั่งนอนผู้เหยียบผู้ไหวเคื่อนน้ำลายหายใจติบตา อะไรยังอย่าจาบเละเอียดนต์เอโนยยยยยยยยยหยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยนยยยยยยยยายยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยวยยรยยูยยยยยยยกยยยยยอเยยยอยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยนยยยยยยยยยยยยยยยนยยยยยยยยยยยยยนยยยยยยยยยน หรือนกับเราเดินทางไปรอบโลกเห็นสิ่งนั่นสิ่งนี้อยู่ตรงนั่นตรงนี้ใครมาพูดเรื่องอันนั้นเราก็รู้เราก็เห็นมาแล้วก็นที่มาพูดในเราฟังก็หลอกเรไม่ได้เพราะเราเห็นเราผ่านมาเห็นกับตารเราแท้ๆเหมือนกับโต๊กันเปนอันกับกาบเพื่อให้เขา ว่าธาตุันมีอยู่สี่เท่านั้นแหละสีาตเท่านั้นขอพ่อบอกมันไม่ใช่สีธาตุแต่มันหกาตุ้ะไม่มีไม่มีมีมีอยู่ที่ไหนมีอยู่ในนวัตถุวัหลักสูตรต้งคำนวตไม่มีเรียนมาหมดแล้วมีเทียงจะเคยเห็นาบอกว่ามันมีอยู่ในธาตุ สี source, <c oughs> ่ก <c oughs> <c oughs> being ็อยู่ในหมวดสี่ธาตุหกก็อยู่ในหมวดหกเขียงกันไปไปหาหนังสือมาดูสิเขาก็ไปหาหนังสือสมัยนั้นเขียงกันอยู่วัดไชรสมมห์เขาไปหานว่าพระาัติมาเปิดเขาก็เห็นมานี้เขามาเปิดดูเอ้าจยไปดูหมวดสี่ที่ต้องไปดูหมวดหกอ่านดูชีหมวดหกอ่ะอ่านไปอะไรเาก็เห็นโอ้จริงจริงจริงจริง เราเห็นกับตาเราเรียนมาเราจํามาวัตีธาตุคือธาตุดิน um> อัปปธาตุคือธาตุน้าไบโยธาตุคือธาตุลมเตโจธาตุคือธาตุไฟอากาศธาตุคือช่องว่างมีในายวิญญาณธาตุคือความรู้อะไรได้นั่นมีไหมเราเห็นเราเห็นกับตาเราก็จํามาในการศึกษาชีวิตของเราเราก็มือนกับกายมันเห็นกับตาเนี่ย ไปถามใครเห็นเรา r มื่อวางไว้บนเข่าต้องไปถามใครไหมว่ามือเราอยู่ไหนไม่ต้องไปถามใครเลยเห็นกับตาตาใดตาในตาเนื้อดูก็ได้เาิว่ขึ้นเห็นไหมเห็นเรายกือขึ้นเห็นไหมเห็นเเดินเห็นไหมเห็นมันเดินมันเคลื่อนมันหวเห็นมันเห็นไปเห็นมามันก็ความจริงก็ปรากฏก็ไม่จริงก็ปรากฏ เห็นมันเป็นลูกเห็นมันเป็นกายมันเป็นสัตว์่ากายเฮ้มันเคลื่อนมันไหวโอ้มันมีตายมันมีลูกนะเนี่ยมเป็นลูกเป็นนามในส่วนที่วิญญาณธาตุจะวันเคลื่อนมันไหวลูกจะเคลื่อนไหวก้อนหินก้อนดินมันเคลื่อนไหวไ้เต๊มสิ่งที่มันเคลื่อนไหวเป็นมันเป็นลูกโอ้มันเป็นลูกเป็นนามมันเป็นตายสัตว์กายนอ้ยไอ้ช่สศัตรูคนโตตนโลโค แต่ก่อนเรากลายมาเป็นทุกข์เรากลายมาเป็นสุขเพราาเห็นก็ไปโอ้มันเป็นสัตว์ไม่ใช่สัตว์ทุกคนตัวตนเราเห็นเป็นกายเป็นทัศนานุตรีย์เห็นแค่เกิดขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายมากมายหลายอย่างก็เป็นเพียงอาการที่มันเกิดขึ้นเห็นจะรู้ทะลวงไป ปฏิปทานุสติยะใช่กายอย่างถูกต้องไม่เอามาเป็นสุขไม่ออกมาเป็นทุกข์เอื้อเป็นติปทานดำเนินไปอย่างถูกต้องเวมุตานุสติยะหลุดพ้นสิ่งที่เอากายมาเป็นทุกข์ไม่เอากายมาเป็นสุขไม่เอากายมาเป็นทุกข์มีเหตเป็นปัญญาเวมุตานุสติยะ้น ปัญหาเรื่องตายค่อยหมดไฟค่อยหมดไปอะแต่มันเห็นไงี้เรียกว่าเห็นธรรมมันสักเห็นธรรมก็คือเห็นเรื่องกายเรื่องจิตแล้วก็เห็นอะไรที่มันโชวเวทนาที่มันเป็นสุขเป็นทุกข์มีอยู่ในตายนี้เห็นอันหนึ่งมันก็เห็นต่อกันไปมันอยู่เป็นหมวดเป็นหมู่มันเป็นกุ๊บเป็นกุ๊บ ของใครของเรามันแบบกูบก้เลือดของเราไปสวดเลือดก็เป็นของใครของมันกู้ใครคูกเรตาต่างเาลากันส่วนตัวส่วนตั ว, ว, ตวเห็นกายเราก็ต้องเห็นเวทนาเวทนานี่เป็นภาษาบาลีแต่ว่าภาษาบันเราก็สุกสุกทุกทุกมันรอดมันหานาวมันหิวมันปวดมันเมื่อยเหมนนั่นแหละมันมี นี่มันเป็นเรื่องของกายแท้แต่กายไม่มีเวทนามันก็ไม่ใช่กายนะพอมาเห็นเวทนาอ๋อก็ว่าเหมือนเดิมตัวรู้ตัวสติตัวสติก็ไปเห็นแค่เขาบอกว่าเวทนาจว่าเวทนาไม่ใช่สัตรูคนตนลราเขาโอ้ลองตีติปัญญาแต่กอนมันเป็นสุขคนเป็นทุกข์ปรเทศมันเป็นปัญญาอันก็ทัศนานโนสเดียเห็น เห็นเวทนาแต่ตอนเอาเวทนามาเป็นสุขเวทนามาเป็นทุกข์ตอที่เปลี่ยนสุขเป็นทุกข์มันเป็นปัญญาเปลี่ยนมาเป็นปัญญาแล้วเวทนาที่มันเกิดขึ้นสบายสบายมันเป็นปัญญามันขอบคุณนะขอบคุณเวทนาแต่ตายมันร่นไม่เป็นมันก็อยู่ไม่ได้แต่ตายมันหนาวไม่เต็มมันก็อยู่ไม่ได้ ถ้ามันไม่รู้จะหนา ว, วมันจะดีไหมมันไม่ดีมันจะม้อยนะไฟนาวศูนยลบหลบสิบเหนาลบหลบสิบลบศูนแล้วไม่พอลบลงไปอีกจนถึงสิบร้อนนะหนาวนะร้อนนะถ้าหนาวจริงๆนะร้อนเหยียบพื้นเจดี ย, ยนันจะเหยียบไฟถ้ามันไม่หนาว น, นั้นมันจะจิดไฟมันดี มันจะให้เราได้ช่วยในนี่ไม่หนาวหรอกโยมเอาผ้าห่มใส่กองให้หลวงพ่อทั้งสามสี่ถุงโอ้หลวงพ่อเห็โยมลุกเนไปันร็จปีหนึ่งโยมหนาวจะเอาไปให้อไม่หนาวมงพ่อหโยมหนาวมาเห็นโยมลุกงไปหลวงพ่อบรลุวย ออกมานั่งเล่นอยู่ในรถหนาวขอบคนมันอย่าเป็นทุกข์ร้อนก็ขอบคุณมันอย่าเป็นทุกข์เปิดปัจญาถ้ามันร้อนไม่เป็นมันหนาวไม่เป็นมันปวดมันเมื่อยไม่เป็ น, มนไม่จะกิบหายตายนี่กินหายจริงๆตปโยงกันไม่เก็บกินหายแล้วเหยียบน้าไม่เก็บกิบหายแล้วไฟถูกไม่เก็บกินหายแล้ว ไม่รู้จับหนุ่ไม่รู้จับเหนื่อยิีหายแล้วกิบหายจิงไม่เหลือหรอกเยียมน้ำไม่เก็บกิบหายแล้วบางคนเนี่ยไม่เสอนไม่เก็บกิบหายแล้วกิบหายแบบไหนแล้วเกิดโรคคนเหล็กบางคนเอาไปจุดไม่เก็บกิบหายแล้วอันตรายโอ้แต่บอนมันเป็นถูกกันทุกขับันนี้เวชนาไม่เป็นทุกเลยเป็นปัญญา เอาอย่างนี hehe, ้นะพวกเรานะหัวลกมันเลยมันต่อไปนี้เวทนาโอหัวลันขอบคนลูกพมันหิวไม่เต็มนี่มันก็เต้ามันหิวนี่มันดีแล้วมันโอดมันดีแล้วมันหนาวมันดีแล้วสัญญาไทยที่มันบอกโอเวทนาสักว่าเวทนายาาเวทนามาเป็นตัวเป็นตนสักว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์คนตัวตนเราเขาลอยตัว ชีวิตที่ลอยตัวลอยหลับเหมือนเครื่องบินที่มันบินขึ้นสูงๆมันลอยหลับมันจะน่าตัวน้ำขึ้นใหม่ๆเพรามันขึ้นไปสักสี่หมื่นสามมื่นฟุตเนี่ยมันจะลอยตัวมันจะกันไปทางหน้ามันขึ้นใหม่ๆมันจะยกตัวมันมันหนักกินน้ำมันพอมันขึ้นลอยตัวมันเบากาละโมตากิตละโมตา เห็นกายจากว่ากายเห็นเวทนาจากว่าเวทนาแการเก่ามาเห็นจิตอ้าวมันก็มีจิตมันคืออะไรมันคิดเหเวาราเริญปิเสธเห็นคนคิดไหมแสกหาแซงหังแล้วกคิดไปโนวคิดไปนี้มีไหมี่เต้องเห็นคนคิดของตัวเอง แต่ตอนเราไม่เคยเห็นความคิดทนะี่ว่าตัววัฏฏณ์หรว่าตัววัฏฏณอเรามาตัวอย่างเดียวนะมันมาเข้าคิวให้เราดูแล้อย่างพอเราดูถูกจุดช่องแคบเหมือนช่องแคบทะเลเรือรุกลงติพยต้องมาผ่านตรงนี้อย่างประเทศไทยเราก็ต้อง เมืองท่าก็คือสิงคโปร์เขาก็ประเทศเล็กๆไม่มีเกเตร ไ, ไม่มีอะไรไม่เท่าไยเปอูแต่ว่าเขาเป็นมหาอำนาจเป็นเศรษฐีเขามีท่าเรือก็บภาษีเรือึกที่มาทางให้ต้องผ่านสิงคโปร์ต้องเก็บภาษีของแวกไปขึ้นภาษีไปเก็บภาษีของเขา พอร่ำรวยมันต้องที่เขาไม่ได้นีอะไรเมืองท่าแต่ว่าเมืองท่านี่ประมาันเกิเราเจริญสติมันเป็นเมืองท่าทางผ่านมันมีอะไรมาผ่านให้เราเห็นโอ้ทำ อ, อย่างนี้เห็นหลอย่างดูใจดูจิตมันก็มันก็อยู่ในช่องแคบแคบไม่ต้องไปหาอะไรที่ไหน ว่าแต่เรามีสคยตัวกายตัจิตใชมเนเห็นจิตเนี่ยจิตมันคืออะไรจิตคือมันคิดสิ่งที่มันเกิดจิตที่มันคิดขึ้นมาจิตที่มันคิดขึ้นมาน่และมันไม่ใช่สัตุรุณตัวตนหเขาคิดได้หลายหลอย่างจิตเนี่ยคิดโดยที่ไม่ได้ตั้งใจลักคิดให้ได้ตั้งใจมันไปคิดขึ้นมา เราก็รู้ว่าตัวว่าตนออกหิ้วลงไปอันคิดโกรธก็โกรธตามมันมันคิดรักผลรักตามมันมันคิดกกมมคิน ด, ดีคิดร้ายก็ไปตามมันโอ้คนหลอกคนลวงมามากพอไปเห็นตัวคิดรูอจะหยุดความคิดตรงมันเห็นมันเห็นว่าจกิดสไควจิดไม่ใช่สัตรูคนตัวตนเราเขาไปเห็นความคิดโอ้ไอ้ใช้เรื่องเล็กน้อยนะนะ่ะ ไม่เคยเห็นเลยเอายุสามสิบปีจึงมาเห็นความคิดตัวเองแต่ตอนนี้ถูกความคิดหลอกให้น้ำตาล่วงน้ำตาไหลหลอกให้รักให้ช่ำหลอกให้โกรธให้โลภให้หลงโกรธโกรธแม่โกรธพี่โกรธ้องโกรธแล้วไปพอตีน้องด้วยใช่ไหมครโกรธให้หัวให้าส่หกวให้หมาใส่หมา โอ้ให oh, ้น้องกันตี น, oh, น, น, ต น, กกน้องโอดให้พ่อให้ม่กันด่าพ่อ่าแมแต่ว่าไม่ใช่ใครเคยด่าแต่ว่าคุยกันคนเวความคิดเนี่ยกระทู้มองเหนอย่าง น, นี้แล้เขี้ยบความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจมากมากกลางคืนเป็นวันกั้งวันเป็นเร็วเห็น บ, าบอางออกก็เห็นคนคิดบ้ง ออกไปในบ้านจะดเดียวอาบอบ้าลานใส่ส่นไหลสนปมดทีไรนั่งอยู่วัดถงไนึ๊บาดลนมานหนเฉไไอเดาเขาไปเรือไปหัดไปสร้างไปยินีไโอ้ความคิดนี่เห็นแล้วเห็นอาาจใความคิดเจ้านีแเจ้าสังขารเจ้าสมุทไพรคคิด สัวหงนี่ยลู่ปั๊บแบ้าลูที่ใดสมมติับแบนงวยเขาชกใส่แทมนับแมีสติไมีสติไเวลาใด่มันคิดขึ้นมาลูปั๊บเป็นนัวยาชกชกถูกหน้านับแมนับคะแชกถูกที่ืก็ไปนับ การเจริญสตินี่ก็เอนกันเอาจริงๆมันต้องมาเห็นจิตจิดมันเป็นตัวการที่มันสั่งกายสังในตัวของมในตัวของจิตก็มีตัวหลงตัวรู้ตัวสุขตัวทุกข์มีตัวรู้ก็ไปดูในความรู้สตัวก็ไปดูก็ไปดูจิตมีสติดูจิตอะไนในสติดูจิตแล้วในจิตก็ดูจิตในตัวมันเอง ในจิตมันมีสุขมีทุกใ์ใ้จิตมันก็เป็นตัวรู้ตัวตัเมื่อในเมื่อก่อนเห็นจิตว่ายจิตไม่ใช่สัตวคนตัวตนลราเขาอันเดียวเดิมอิ่มใจอยู่เลยจิตกายก็ทิ่งไปแล้วเวทนาก็ทิ้งไปแล้วสุขทุกข์ที่วัตเกิดกายเวทนาไม่มีแล้วทิ้งกปแล้วมันก็ไม่ได้ใช้ให้มันเป็นสุขไม่ไดใช่มันเป็นทุกข์ ไรเห็นจิตที่มันคิด อ, อีกแล้วจับได้ไหล่ทันจับตัวการันนัะแต่มันนะบัดนไม่มีอะไรที่จะชอบไปชอบมีสติในจิตเลยบัดนมันเป็ น, นเครื่องทุ่แรงมาดูเรือย่างเดียวมาดูอย่างเดียวในสติดูจิตอย่างเดียว มันจะเครื่อนต้นแหลกอันเื่นก็พวกเปียนไปเลยหรือระทั่งความโลคความโกรธความร้อไม่มีที่เกาะไม่มีที่ตั้งถ้าเห็นกิจจะไปกิจใช่ใ้สัตว์คนตัวตนเราขอบไม่รู้ว่ามันจะไปทั้งอยู่ไหนอันความโรคความโกรธความร้อนกิเลสกันหาลาข้ไม่มีที่ตั้งไม่มีที่ตั้งเลยถอนเราชักลาบถอนสะพาน แต่สมัยก่อนสะพานมันตู้ยสินหนะตามทำยังไงถ้าสินหน้ามันต้องตั้งอยู่ในนะแต่ว่าเวลาสะพานตู้ยสนะิบหน้าเราทาสังกัดกรรมของชักสะพานออกไม่มันต่อกันกับแผ่นดินชักสะพานออกคนที่มาที่หลังต่อมาไม่ได้เพราะเราชักสะพานออกมันไม่ต่อเราทําสังกกรรม ผสมบทตอนปาเจโมรับปะิ๋นปิวัตอภ า, านนัตกรรงหลายะชาพอพันทักกทักสับปะเกาอมันไม่โตหมดแรงงูอะไรก็ไปไม่ได้แล้วนะทักสัาปะเรลเวาจะใช้ก็พอพอดึงสบปะเกลืออันนี้ประคันกัรสฐีมันทักสับปะเกอ เรื่องของกาไจะใช่เป็นสุขเปนทุกข์ก็ได้เรื่องของเวทนาอมมาเป็นสุขเปนทุกข์ก็ได้มอบให้เวทนาไปมันนับสภาออเรื่องของความคิดก่อนทีะสภาออกจะเอากิตมาเป็นสุขเนทุกข์ก็ได้แต่พอที่กายมาเป็นสุขเนทุกข์จิตใจมาเป็นสุขเปนทุกข์ไม่ได้ไม่ได้ใช่มันแล้ันใช้ให้มันทําความดีสําเร็จประโยชน์จริงๆเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิต เยาวชนที่เนี่ยก็เห็นสิ่งทุกคนมีมีบุญบุญก้อนๆอยู่นะเรียกว่าด่านหน้าเนี่ยต้องเจอด่านหน้านั้นเราเดินทางจากจังหวัดไทโฮงไปไหนเนี่ยมันจะต้องมีด่านด่านตรวจดานกักของเขาตามระเบียบของเขา ไชยภูมิคนด่านไอ้งว่าต้องตรวจผ่านโค ร, ราชโค ร, ราชต้องตรวจผานสระบุรีสะพุดสระบุรีต้องตรวจอุทยาต้องตรวจถึงกรุงเทพก็ต้องตรวจอันนี้สี่ด่านถ้าเราจะเดินทา ง, ขงเข้ากรุงเทพเราก็ผ่านได้ผ่านได้เราชอบมันเป็นตรวจก็กลับเราไม่อยู่นะสตินั้นสร้างสับมาที่ิดเกิดความาชอบแต่ละความาชอบ แต่รอบความเป็นครรมในชีวิตมันก็ผ่านได้ผ่านได้ผ่านได้ลดหน้าเอาไว้หลังเอากายไว้หลังเอาเวทนาไว้หลังเอากินไว้หลังองันนี้เห็นทำมาจะเห็นทำทำทุกสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นถูกใจใส่ความงงเอาอนอนความอะไรต่างๆเป็นผูน้สนพมีเป็นอกุศลพรมี น, นะทำแน อดีตมันมีความรู้ก็ติความรู้อดีค ต, วตความสุขก็ติดความสุขทีไม่ความรู้ก็ติด ค, ความสุขอีกไม่ได้ธรรมเนี่ยอ ด, ด, ด, ดีไปติดรูปติดดี้าไปกะทุกบางคามดีก็งนไม่ได้จบแต่ว่าโอ้ธรรมก็จแต่ว่าธรรมไม่ใช่ักรูคนตัวตนเราเขาคนทำดีบางที ต, ติดดีติดทุกข์ก็ทำดี ทำตัวเป็นทุกข์อยู่แล้วแต่ทำดีก็เป็นทุกข์ไปอีกเพาะสื่อทำให้เราเป็นทุกข์คนหนึ่งเราเป็นคนดีคนอื่นเป็นคนทั่วทําให้เราเป็นทุกข์คนหนึ่งเราไปเลยทำทั่วคํำว่าเราทําทั่วเราก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์เพราคนดีโอ้ครับทําที่เป็นอภิสุจน์เช่นความโลภความโกรธความหลงต้นเห็น ทั้งที่เป็นส่สนปรความสงบมีความรู้มีทิงมีสมาธิมีสัญญาพื้ฐานก็ให้ลระบัดทำคำว่าทำไม่ใช่ตัคนตัวตนเราเขาไม่ใช่คือเอาอะไรแต่เอาสุก็ไมนใช่แต่เอาทุกข์ก็ไม่ใช่ให้ต้องเอาระบักแต่ว่าครับด่สุดท้ายปล่อยระบัปล่อยตัวระบัดทิตทุกข์พ้นทุกข์ สี się, ่จัดทำให้พ้นเบาล่วมก็คืเกิดยานทัศนะมันสนับสนุนมันจะมีควนานระหว่างปัญญาก็สนับสนุนให้เกิดปัญญาความรู้แจ้งก็สนับสนุนให้เกิดความรู้แจ้งเอ็นเตืองขาดเราเดินทางการเช่าไปก็ไปเสนับสนุนให้เรา ไม่ถ่อยต่ำเช่นหงพ่อเคยขึ้นเขาสีพะทะกับคนหมูเนี่นนยหลายคนเขาสีพะทะเน่ยมองไม่เห็นยอดเขาหนาะไม่ผมุมโมยขึ้นเดินขึ้นไปหลายชั่วมงยังไม่เห็นยอดเขาเลยขึ้นไป ข, ข, ข, ขึ้นไปขึ้นไปเหนื่อยอยเหนื่อยแล้วก็บอกเพื่อนเดินทางว่าเราถึงทุกงก้าวถึงทุกงก้าว ยังไม่เห็ยอดเขาเดี๋วเราเดินเสร็จล้วเข้าแล้วก็ถึงทุกข้าวเดินไปเดินไปแล้ก็ลุกข้าวตอนมันสูงขึ้นคลอดไปแล้วพึ่งไปแล้วแล้ก็เอี่ยงไปมันหอยไปได้งขึ้นลยสูงก็ไปมันก็ดูสดเบาแลบบพอขึ้นสูงที่สุดเบาไม่ไม่หนักเหมือนขึ้นไปไหนเออเปิดใถึงที่ฉัน ต้องหิ้วตัวขึ้นไปจับลาวบันใดขึ้นไปก็ตัวเข้าไปเฝ้าเข้าไปถึงพัดท้ายปลายทางยอดแตนั่ ง, อองหอดก้อนเมฆไปสัมผัสกับก้อนเมฆอยู่บนยอดเขาสีปัฐะได้ขึ้นไปมันสนับสนุนกางเดินทางของจิตวิสิิ์จิตใจของเราความฉุก กำมาพิสิกความชอบมันสดับสนุนให้เกิดความชอบเรื่อยไปเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรมเหมือนทางให้มันเกียนมันลาดให้เราสนับสนุนกายก็สนับสนุนให้เราเวทนาก็สนับสนุนจิตก็สนับสนุนธรรมก็สนับสนุนให้เราก้าวหน้าพัฒนาวัฒนะรดีขึ้นไปไปเห็นลูกเห็นนาม้ำกัน ลูกจะนามกับฟ้าลอกสิบันมเห็นกองลูกปรทักองนามมาทำมอเห็นกองลูกองนามแต่กอดนัเป็นกายเป็นเวทนาเป็นปิตเป็นธรรมมันฉลูกลงมาแล้วเหรอันีอย่างนี้รวมลงคือลูกคือนามลูกประทับนามมาทำลูกประทับนา ม, มาทำสลูกกันแต่ลูกน้อยๆูมาแล้ว่ เอาแต่ก่อนเรียกว่ากายเรียกว่าเวทนาเรียกว่าจิตเรียกว่าธรรมพอมาเห็นลูกเห็นน้ำแล้วมันเรียกเป็นอาการแล้เวทนาไม่ต้องไปเรียกว่าเวทนาเรียกเป็นอาการแต่ก่อนความร้นอนความหนาวความหนียวความปวดความเมื่อยมันก็เรียกตามอาการปัจนี้เรียกเป็นอาการตอนร้อนก็เป็นอาการของลูก ความหนาวเป็นอาการของลูปความหิวเป็นอาการของลูปความปวดความเมื่อยเป็นอาการของลูกเลือดตันระแแบบแต่ตอนเลียกว่ากายในบรเวณขนาเรือดร้อนเรีอดหนาวเลือดหิวเรือดเก็บเลือดปวดจะแยกเสมอแบบมันีม่เรียกเป็นอาการลูกมันก็ต้องมีอาการอาการนี้เลือดอาการจะไม่พอมันจะมันจะถลุงอยานโดนแดด อ้าเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับโลกอ้าไปเรียกกันความไม่เรียกความเป็นโลกความมันใช่กฎกฎเสร็จเลยไปสิ้นเชื่อไปเลยสิ้นเชื่อไปเลยถ้าไม่เห็นเป็นไตรลักษณ์สิ้นเชื่อตัวหลือไม่มีเชื่อเลยอันสุกอันตกคือเป็นน้อยเป็นมากตกคือดในความไม่เรียกความเป็นทลกความไม่ใช่กฎก สิ้เชื่อไปเลยหมดเชื่อแนวไปเลยนะมันเห็นอาการที่เกิดขึ้นกับกายตกอยู่ในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ควาไม่ใช่ตัวตนหมดเชื่อไปเลยเห็นนามเปิดสิ่งที่เกิดขึ้นจำกันาเป็นอาการเป็นความโลภความโกรธความหลงเป็นความรักความชังความยินดีความยินด้ พอเห็นก <ersch> ็ตกในไปรับืองกันตอนแรกที่เราเรีนทุกคนไม่ใช่โสดสดเชื่อไปเลยเขาอีกรอบเมือกัเราซักผ้าน้าหนึ่งหน้าหนึ่งื่อทีมันซักไม่ออกมีมีผมก็เได้ไม่ได้ซักผ้าหลายวันไปวันโมคนแก็บไปวันโมคนเก็บเอาวันโมซักให้ เอาแค่แทกหน้าน้ามแรกไม่มีความสุขสุขเลยแต่เดี๋ยววัดมาสุขโอ้ยหงตายเิโหลงตายท่านดาท่านบนซัแ่าถ้าซัก็ต้องซัแม่ไมซัต่อมาเราจะซัอท้งบนน้ายัง่มีกเลยดอ้ย แค่เป็นหน้าสองค่อยเป็นสองเท่ามันจริงออกาน่นะไอออก่ า, า, า, า, าขาดสกปรกไลายนะสักทีเ ด, ดท <c oughs> เดียวมัวเร่าได้เนาะสักไรเนี่ยอันนี้ควรจะนะสักตัวอองเอาสมน้ำหน้ามันเลยมันสักทีแรกด่านแรกเห็นสีด่า น, เ, น, เ, ห น, านเห็นกายเวทนาจิตครับไม่ว่ามันสาดไปเห็นรูปเห็นนามเลยครับ เห็นอาจารที่เกิดซึ่งจะรูปคำนามเป็ไนไส้สักตกอยู่ในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ควรอนอยหมดจดเลยก่อนอืมอ่าหมดจดเลยจะเห็นน้ำหนักก็เบาเบาโยมตอนนี้ไม่ใช่เล่าในทานนะไม่ใช่เล่าในยายนะเห็นสักจะทำแน่หลย ไม่ใช่ฟังแล้วไปจําเอานี่หลักทางมันไปแบบนี้การปฏิบัติธรรมนะการปฏิบัติธรรมมันต้องไปแบบนี้ถลุงไปแบบนี้ย่อยไปแบบนี้หลุดออกไปอย่างนี้พ้นไปอย่างนี้พน้นอย่างนี้จริงๆไม่มีอะไรถ้าสู้อย่างนี้เราอะไรวมันจะตั้งอยู่ได้ไม่มีเลยไม่ดีที่ให้ขอไม่มีที่ให้ตั้งถ้ามาตั้งก็ตั้งอยู่ใน ค, ความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตน อาการที่เกิดขึนน้นกับรูปกำลังเห็นกระแสเห็นกระแสนี่นนแหะท่านเรียก ว, วิปัสสนามาถึงตรงเรว่าวิปัสสนาวิปัสสนาญาณด้วยญานจริงๆขนศพขนศพเหมือ น, น, นลดดิ้งทางเดียววิ่งอวิ่งเอกระโดกไม่ติดเจะลาชอไม่ติด แต่ก่อนจราจรติดขัดจราจรชีวิตห่วงหน้าห่วงหลังเป็นปริพุธเป็นปริพุธโผล่ขบติดปิตไงความเดืดไม่ด้วยี่ข้งสี่หงส์ความโูก็ด่วยสี่ข้งสี่หงส์ความโูกความทุกติดติดตุกตุกตุกๆุกเป็นจราจรชีวิตของพอมาถึงตรงนี้แล้วผ่านทางด่วนไปเว ไม่บ้านเราไม่ใช่ในทางฟรีเวร์นี่แต่ไอเวร์ way. ใช่ไหมสมอไอเวร์ถ้าชาลัดใ น, น way นะทางไหนฟรีเวรนะทา้ทาเวรฟรีเวรทา้าเวไอเวรอันดับที่สามฟรีเวรนี่ไม่มีไฟเขียวไฟแก่ทั่วประเทศจากตะวันตกถึงตะวันออกฟรเีเวร ไม่มีไเขียวไปแดงเวกได้สะดวกแล้วก็รถนั่งก็จะพอรถนั่งรถบรรทุกก็ไปแต่รถบรรทุกไม่ปนกันเหมือนบ้านเราบ้านเรานี่ไอเวรถสิบโลก็วิ่งทางเดียวกันรถเก๋งก็วิ่งทางเดียวกันหัตะไช่ทุกทุ ก, ก็วิ่งทางเดียวกัน แต่ว่าสีเวย์ของเขาเน่ะเวคนลัทางไม่เห็นถนนรถขนทุกสิบล ก, ก็ไปเคลื่อนรถนั่งก็ไปเคลื่อนรถโดยสารก็ไปเส้นเรียกว่าสีเวสะดวกมากหลวงพ่อเคไปเดืสดรัดนั่งนั่งเครื่องดินจากตะวันตกไปตะวันออกจากไอ้งไองยมไปประเทศนั่งนาดไหน นั่งเดินจากตะวันตกไปตะวันออกแปดชั่วโมมันยาวมันกวางขนาดไหนห้าสิบประเทศจึงจะเท่าประเทศเขาประเทศเดียวห้าสิบประเทศไศทยเนี่ยมีจะเท่าสหรัฐประเทศเดียวแต่นั่งเครงินจากประเทศไทยเนี่ยจากดอนเมืองไปลงบอมเบ่เนี่ยสี่ชั่วโมงอิเนเดียนะนั่งจาก โดนเมืองไปลงบอมเบยประเทศเียงสี่ชั่วโมงแล้ววิ่งกลับมาอีกสชั่วโมงหกนตั้งแต่ไปเรียนเรียนกันบนไกแล้วตอนนับประเทศเนี่ยเอาเอเชียทั้งหมดเลยอาจจะตั้งแต่ไหนหลายประเทศทั้งจะเท่ากับประเทศเขาอะไรอันนี้พูดไปนี่มันดวนต่อมาผ่านการเห็นสายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นธรรม ไปเห็นลูกทำน้ำทำเห็นอาการ์ที่เิดขึ้นกับลูปเห็นอาการ์ที่เิดขึ้นกับนามเนี่ยะมันมันด่วนไปดู่ด้วมันมันเคี่ยนไปไหลไปได้กระแสหวิปัชนนาแล้วมนไม่เคยเห็นไม่เคยสัรรมผัสกับอารมณ์ของวิปัจนนาว่าลูกแก้มเดิน่จริงจริงความนี่มันไม่ใช่ความรู้นะมันพบเห็นเห็นตัวหน้าตัวตาน่มันพบเห็นก็ไปอย่างเนี้ย มันเห็นแค่นี่ยนะพราะว่าวิปัสนาลู่แก้ม้วงข้ามอาวะเก่าพ้นผ่าวะเก่าของเก่าหมดไปที่เรียกว่าปฏิบัติที่เราทํากันอยู่เนี่ยมันไปอย่างนี้ศึกษาชีวิตเราลูจะบบุลู่จับบาปลู่บุญทาบุญเป็นลู่บ า, ลาปลำบาปได้แล้ว บ, บันสัมผัสถ้าเป็นสวรรค์ก็ เปิดประตูสวรรค์เถอะเป็ น, านการลบปิดประตูเราลบได้ด้วยมือด้ว ย, วยการทำของเรามั่นใจแลวันโอ้มาดูจากหลวงปู่เทียนโอ้ยหลวงปู่เทียนเกิดมาไม่มีใครสอนอย่างนี้สอนให้สร้างจิงใตให้เครมีใครสอนในี่ได้สอนให้นั่งหลับตาสงบนิ่งมาเห็นหลวงพ่อเทียนสอนให้เรายกมือเคลื่อนไหวไปมาโอ้ ก็เขียนสอนให้เรารู้จิตต um ัวน้อน่ยตอนใ um ห้เรารู of of ้จักลูกจักนามมาเห็นหลวงพ่อเขียนโอ้คือว่าพ่อของปิติญาผู้ให้กำเนิดแอบนี้เห็นสิ่เห็นบุญเห็นบาปเห็นศาสตร์แสดศาสนาคือตัวเราที่ไม่ต้องพูดศาสนาคือชีวิตเราไม่ต้องพูดพุทธศาสนาคือตัวปัญญาปัญญาที่ลูกแค่ พุทธะในลูกแก้งแก้งจริงๆเหมือนกลางวันในกายในใจนี่หลอกเราไม่ได้แต่ก่อนมันหลอกเราตายเราหลอกเราใจมันหลอกเราบัได้รูกแก้งแต่ก่อนความโลภความโกรธความหลงกิเลสตัณหาลาภมันหลอกเราเราเสียเวลาเพราะสิ่งเหล่านั้นอันนี้โอ้ม่เห็นเลยเราเสียเปลี่ยนเสียเปลี่ยนความโกรธ ค่อยวะม่ออกค่อยเสียเปียนกองโตอ่ะโในรูกตีรูปค่อยตีูกวะที่เปรียบกองโกล่ค่อยเขียนในหัวเมียว่ว่อยเขียนในเมียวะเดียวเอนเมียเป็นม้าเอ็นหัวเป็นงเออโอ้ยเสียเปลียองโผลโยลมัน เห็นตัวเองเห็นชัดเห็นแจ้เห็ น, นทุกอย่าน้องก็เรียนสอนกอนครับอันนี้ไม่เสียเปล่าแล้วมันแท้ๆเลยสมน้าหน้ามันจริงๆสมน้หน้าความโกความโกความหลงสมน้หน้าความล่อเมือกัเรากลางุืนอนในมุน้งฟังเสียงยงที่มันบินอยู่ข้างนอก เยอะมันมุ้งมันก็กันโยนได้โยงมันอยู่ข้างนอกเราขอนอนอยู่ข้างนั้นหรือว่าเรานั่งผมผ้าผ่มนวลค่มศีรษะสร้างจังหวะคือในเอามือสร้างจังหวะคือในผ้าหแต่ตอนอยู่วงเลยเนี่ยศูนย์ลบสี่ศนศูนั่งสร้างจังหวะในผ้าผม พอรออามือแตออกาข้างนอกเข็นเก็บสังเกตุไปยอะเยอะส่วนเราอยู่ในภาชนะในีภาระันสภาวนเห็นอะนนนไรเหน็นต่อหน้าต่อตาโอศาชนาคือคนเ่าคนที่ไม่ทุกศาชนาคือตัวรู้เลือกคนคนไม่ต้องพุกคนมีสติมีปัญญาคนมีบุญ คนละตัวคนทำปกติคนทํากิจให้บริจุดนี่คือตัวศาสนาพุทธศาสนาคือตัวปัญญามารู้แกะอารู้แกโดยแจ้งเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องบุญเรื่องบาปสมมุติมันอยากวัตถุอาการต่างๆเห็นอย่างเดียวมันบุกไปเลยทะลุทะลุไปเลยวัดรู้่งทะลุไปเลยไม่ต้องทําอะไรถึงข่าวมันก็ไปของมันเอง จบควารุ่งเรืของวิชาธรมชาตมันเป็นอย่างนี้